สวัสดีค่ะพี่น้องในพระเยซูคริสต์นะคะในรอบบ่ายนี้ดิฉันขอบคุณพระเจ้าที่มีโอกาสได้มาเป็นผู้แบ่งปันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ในเดือนนี้เป็นเดือนที่ทางคริสตจักรของเราจะเน้นหัวข้อเรื่องของครอบครัวแล้วก็ผู้อาวุโสนะคะที่อยู่ในคริสตจักรของเราซึ่งก็ตรงกับน่าจะตรงกับเทศกาลสําคัญของไทยเราด้วยนะคะ ซึ่งเขากลาเข้ามาแล้วแล้วก็วันนี้เรียนเลือกข้อพร่อมพีซึ่งเป็นข้อสั้นๆนะคะที่พูดถึงการที่จะทำอย่างไรให้เรือนที่เป็นสุขนะคะเป็นความสุขที่วัดได้แล้วก็เป็นความสุขที่ถาวรด้วยนะคะก่อนที่เราจะร่วมใจ ให้เราอยากจะร่วมใจกับอิฐานกันก่อนนะคะข้าแต่พระเจ้าขอโปร่งได้ทรงโปรดชําระสิ่งที่ข้างหลายจะได้ยินได้ฟังและถ้อยคําที่ข้างหลายจะกล่าวขอพระญาณเบสุดจะเป็นผู้นําพาและเป็นผู้ที่ส่งนําเพื่อให้พระคําของโปร่งจะเป็นที่ชื่นชูจิตใจและเป็นคําตอบสําหรับชีวิตของข้างหลายแต่ละคน ขอให้ริเดชแห่งถ้อยคำแห่งพระวจนะของพระเจ้าจะสามารถชำระจิตวิญญาณและความนึกคิดและไปสู่การกระทาที่ถูกต้องเป็นที่ชอบพระทัยของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนถนัดที่จะถือถือหม่ค่ะเพราะว่าขอโทษด้วยท่าว่า ว่ามีบางคนบอกว่าดิฉันเวลาเทศนามันไฮพาร์คเลยนะคะเลียก็รู้สึกตัวเหมือนกันเพราะว่าอาจจะถนัดที่อยากจะใช้ไม้ให้ใกล้ชิดแล้วก็พูดด้วยความรู้สึกที่แสดงออกนะคะทีนี้เลียคิดว่าตอนที่เลียคิดถึงข้อพาปีตอนนี้ก็ทำให้คิดถึงว่าเวลาที่เราสร้างบ้านสักหนึ่งหลังนะคะ ถ้าถามสถาปนิกก็มีฟา้ฟานินนั่งอยู่ตรงนี้นะเป็นสถาปนิกคนหนึ่งแล้วก็ถ้าเป็นวิศวกรครัวว่าจะหล่นนะคะขอบคุณนะคะน่ารักจริงๆสามีใครไม่ทราบค่ะก็ต้องบอกว่าเวลาที่เราสร้างเรือนเนี่ยหรือสร้างบ้านหลังหนึ่งนะคะเราก็คงจะต้องบอกว่าบ้านที่ดูจะแข็งแรงเนี่ยก็ต้องมาจากเสาหลักของบ้านคือเสาเข็ม ที่เราะะใช้เวลาในการที่จะปักลงไปในพื้นฐานที่แข็งแรงะะแล้วก็เชื่อแน่ว่าแม้แต่มีเสาก็ยังไม่พอก็ยังต้องบอกว่าเราปูพื้ น, นะะพื้นที่ดูเหมือนเราสร้างบนดินหรือบนคโคลนก็ตามก็ยังต้องมีวัสดุบางอย่างที่จะทำให้บ้านนั้นแข็งแรง จึงจะทําให้บ้านที่เราอยู่อาศัยอยู่นั้นมีความมั่นใจได้ว่าเราอยู่ได้ระยะยาวคงไม่ใช่จะขออยู่เพียงปีสองปีบางคนคงจะอยู่บ้านหลังหนึ่งอาจจะถึงมีอายุถึงสามสิบปีได้นะคะบ้านนี้อยู่ตอนนี้ก็อายุสามสิบปีขึ้นไปแล้วเหมือนกันก็ยังแข็งแรงดีนั้นแน่นอนถ้าเรามาพูดถึงพระรันะของพระเจ้าในตอนนี้ก็ได้ให้ข้อ คิดที่สำคัญมากเพื่อทำให้ครอบครัวคริสเตียนนั้นแข็งแรงมีผลวิจัยชิ้นหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากนะคะได้มีการถูกเปิดเผยว่าผลวิจัยนี้ทำการวิจัยมาตลอด75ปีนะคะโดยแพทย์ท่านหนึ่งซึ่งเป็นศาสต ร, ราจารย์ชื่อว่าวาร์ดิงเกิลนะคบวาร์ดิงเกิลนี่เป็นคณะ เป็นแพทย์ที่อยู่ในฮาร์วาและก็ได้ทำการไขข้อปริศนาเรื่องหนึ่งที่เขาอยากรู้ว่ามนุษย์มีความสุขแท้จริงได้อย่างไรดูเหมือนคำถามนี้น่าจะเป็นคำถามที่ง่ายมากแล้วก็น่าจะวัดได้แต่ปรากฏว่าเขาใช้เวลาถึง75ปีในการที่จะไขข้อสงสัยนี้จากการสำรวจวิจัยกลุ่มเป้าหมายเขาสองกลุ่มนะคะซึ่งประกอบไปด้วยนักศัพ ปีที่สองของฮาร์วาร์ดจำนวน268คนและก็เด็กชายอายุ12 1 6ถึงปีนะคะที่อาศัยอยู่ในบอสตันจำนวน800กว่าคนได้แล้วเขาจากการสำรวจนั้นเขาสำรวจถึงความพึงพอใจในอาชีพการงานแล้วก็ชีวิตคู่และกิจกรรมต่างๆในสังคมขณะเดียวกันเขามีการตรวจเช็คล่างกายด้วยนะคะทุกๆห้าปีของคนที่เขาทาวิจัยด้วย สิ่งที่เขาพบนั้นเขามีความมั่นใจเลยค่ะว่ากุญแจสามดอกที่จะทำให้มนุษย์มีความสุขได้อันนี้ก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องศาสนาเลยนะคะแต่เอาเป็นเรื่องที่วัดได้นะคะจากความเป็นอยู่ของมนุษย์นี่แหละคะ่ะข้อแรกกุญแจแรกคือความสัมพันธ์หรือสมันธภาพอันแนบแน่นกลมเกลียวกับครอบครัวเพื่อนฝูงและชุมชนในสังคม ทำให้มีแนวโน้มที่ทำให้อายุยืนนานแต่คนที่โดดเดี่ยวและขี้เหงาคือไม่คบคาสมาคมกับใครกลับไลายเป็นคนที่ตายเร็วอายุไม่ยืนนะคะคกุญแจที่สองคือคุณภาพของความสัมพันธ์เขาไม่ได้เน้นปริมาณแต่ว่าการมีเพื่อนล้อมรอบจำนวนมากไม่ได้บ่งบอกว่า คนคนนั้นจะมีความสุขเสมอไปจากวิจัยเมื่อปี2015คนพบว่าสำหรับคนวัย20นะคะจะเน้นเรื่องปริมาณมากกว่าคุณภาพบางคนน่ามองลงไปแล้ว น, น่าจะ20นะคะแต่ไม่ใช่ทุกคนนะคะคนวัย20จะเน้นเรื่องปริมาณมากกว่าคุณภาพ แต่คนที่เลยวัย30สปีไปแล้วนะคะก็จะเน้นความสำคัญในเรื่องคุณภาพว่าจริงใจกันแค่ไหนนะคะคนที่เข้ามาในชีวิตมีความจริงใจมากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงคนโสดอาจมีความสุขมากกว่าคู่แต่งงานที่หมดรักกันไปแล้วอันนี้จากงานวิจัยของเขาเอง ข้อที่สามกุญแจดอกที่สาชีวิตคู่ที่อบอุ่นมั่นคงเป็นชีวิตคู่ที่ดีนั้นจะส่งเสริมให้มีสุขภาพร่างกายจิตใจนะคะให้แข็งแรงการแต่งงานเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ลดความเสี่ยงทางสภาวะสมองเสื่อมด้วย <c oughs> นั้นแกดิฉันรู้สึกว่าวิจัยผลวิจัยของเขาบางจุดนี้ก็น่าสนใจทีเดียวนะคะ ว่าบางครั้งเราต้องพบว่าชีวิตคู่ที่มีความสุขก็ส่งผลมาในเรื่องของสุขภาพที่ดีด้วยจากงานวิจัยอันนี้ทำให้เราเห็นว่ามนุษย์โหยหาและสแสวงหาความสุขที่แท้จริงแต่บางครั้งมันเป็นความสุขที่อยู่กับเราไม่ได้ไกลไปจากตัวเราหลายคนสแสวงหาความสุขในครอบครัว นะคะโดยไปหานอกบ้านแทนที่จะหากันในบ้านจริงๆความสุขของครอบครัวนั้นอยู่ในบ้านจริงๆและจากพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ในสุภาษิตบทที่24ข้อ 3-4 เสาแรกเลยนะคะที่เป็นเสาหลักแห่งความสุขที่แท้จริงของเรือนของพระเจ้าที่มีพระเจ้าอยู่นั้นข้อแรกคือเรือนนั้นสร้างด้วยปัญญาคาว่าปัญญาหรือ wisdom เนี่ยนะคะไม่ใช่ เป็นคำเดียวกับคำว่า i อนะคะหลายคนอาจจะคิดถึงสติปัญญาระดับสติปัญญาของคนคนหนึ่งแต่จริงๆแล้วคำว่า wisdom หรือปัญญาที่อยู่ในภาษาฮิบรูในตอนนี้ถึงแม้จะอยู่ในในสุภาษิตถ้าเราอ่านเนี่ยเราก็จะเจอคำว่าปัญญาปัญญาปัญญาเนี่ยนะคะเป็นรากศัพท์ที่มาจากบา i ิ h ที่แปลว่าบุคคลที่อยู่ในครัวเรือนซึ่งอาจจะหมายถึง สมาชิกในครัวเรือนนะคะและหมายถึงลูกหลานในครัวเรือนไม่ใช่บ้านที่เราเห็นเป็นหลังๆนะคะทำให้เรายิ่งแน่ใจเลยว่าพราะคัมภีร์ตอนนี้กําลังบอกกับเราว่าเคล็ดลับสําคัญของครัวเรือนที่จะมีความสุขและแข็งแรงได้ต้องมาจากปัญญาที่มีจุดเริ่มต้น มาจากสัมพันธภาพที่ถูกต้องกับพระเจ้าผู้สร้างเขาถ้าหากว่าเราอยากจะได้ปัญญาเราจะต้องรู้จักกับพระผู้สร้างของเราอย่างถูกต้องก่อนแล้วพระองค์จะหล่อหลอมที่จิตใจความคิดและมันจะนำไปสู่การกระทาที่ถูกต้องด้วย ถ้าพ้นที่มีสัมพันธภาพกับพระเจ้าเหมือนที่เรานั่งอยู่ที่นี่ดิฉันเชื่อแน่ว่าพี่น้องของเราที่มานมัสการรอบบ่ายนี้นะคะวัครั้งที่เดียวจากนักเทศก็ดีผู้นำนมัสการก็ดีเราจะเน้นย้ำเรื่องสัมพันธภาพของเรากับพระเจ้าอย่างถูกต้องเราไม่ได้เน้นสิ่งที่เป็นเรื่องของสติปัญญาและปัญญาที่จะให้เราเอาตัวรอดอย่างไรแต่เรามักจะพูดเสมอว่า จุดเริ่มต้นที่ถูกต้องที่สุดก็คือเรารู้จักกับผู้ที่เป็นชีวิตและผู้ที่มอบชีวิตและผู้ที่มีเป้าหมายชีวิตให้กับเราอย่างถูกต้องเมื่อ น, นั้นแหละเราจะรู้ว่าเราควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรเพราะในที่นี้แม้แต่ในสุภาษิตบทที่สข้อสิายังกล่าวว่าพระเจ้าทรงวางรากแผ่นดินโลกโดยปัญญา พระองค์ทรงสถาปนาฟ้าสวรรค์ด้วยความเข้าใจแล้วตรงนี้ทำให้เรายิ่งแน่ใจเลยว่าพระเจ้าไม่ได้สร้างโลกนี้เหมือนกับนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่ใช้ความรู้มากมายแต่พระองค์ใช้สัมพันธภาพระหว่างพระเจ้าตรีเอกานุภาพเป็นผู้ที่สร้างโลกนี้อย่างบริบูรณ์และสมบูรณ์แบบที่สุดและโลกนี้ถูกสร้างขึ้นมาด้วยสัมพันธภาพ ที่งดงามและพระองค์ปราถนาอย่างยิ่งที่จะให้เราสร้างครอบครัวขึ้นมาโดยเริ่มต้นที่ความสัมพันธ์ที่ถูกต้องเดียวเห็นคืจักเราขายดีนะคะก่อนหน้านี้คืะจากของเราเนี่ยถ้ารอบบ่ายมาเนี่ยจะเห็นดอกมาตั้งแต่รอบเช้าแล้วคะ่ะเราจะเห็นดอกไม้ที่สวยงามแต่นี้เราเพิ่งจะพ้นอีสเตอร์ไปหลังจากนี้ก็อาจจะมีการหยุดเรื่อง คนมาใช้สถานที่ในการประกอบพิธีแต่งงานนะคะสักระยะหนึ่งเราจะเห็นว่าเวลาที่เราจะแต่งงานสักงานหนึ่งนะคะมีการลงทุนที่สูงมีความสวยงามมากพระวิหารนี้จะถูกตกแต่งอย่างสวยงามเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็จะเตรียมตัวเองมาล่วงหน้าหลายเดือนทีเดียวนะคะเพื่อที่จะดูงดงามและสมคู่สมน้ําสมเลื้อกันนะคะแล้วเราก็จะเห็นว่าองค์ประกอบ ในพิธีแต่งงานนั้นดูถูกตระเตรียมไว้อย่างดีฉะนั้นงานแต่งดูเหมือนสำหรับบางคนบอกว่าโอ้พอแต่งเสร็จก็ถอนหายใจเสร็จแล้วแต่ <c oughs> จริงๆแล้วงานแต่งสำหรับหลายคนนะคะจัดขึ้นมาได้ไม่ยากเลยค่ะเพราะว่ามีเงินมีคนช่วยนะคะมีการออร์แกไนเซอร์ที่ดีมีการเตรียมตัวที่ดีงานแต่งก็จะสำเร็จลุล่วงได้อย่างแน่นอน แต่คนเขาบอกว่าการแต่งงานเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยแต่การที่จะมีชีวิตคู่นั้นยากกว่าจริงไหมคะบางท่านที่เป็นเป้าสาวสดๆร้อนๆนั่งอยู่ที่นี่นะคะคงจะต้องบอกกาลังอยู่ในระหว่างอยู่ในระยะที่สองแล้วนะคะการมีชีวิตคู่มันยากกว่าและการที่จะทำให้ชีวิตครอบครัวมีความสุขไปจนตลอดลอดฟังอั น, นยากสุดเลยคะ่ะ จริงไหมคะท่านผู้ใหญ่ที่นั่งอยู่ที่นี่เนี่ยนตะ้บอกว่าหลายๆท่านไม่ต้องบอกว่าต้องรอให้แต่งงานหรอกคะ่ะการใช้ชีวิตในครอบครัวแม้แต่พ่อแม่ลูกนะคะแล้วก็กับพี่น้องเองเรายังใช้ชีวิตกันหลายสิบปีในการที่จะปฏิสัมพันธ์กันบางครั้งก็นะคะเขาเรียกว่าลุ่งลิ่งอะคะ่ะก็ไม่ได้ลุ่งโลเท่าไหร่างครั้งก็ดูรู้สึกว่าเราก็ พยายามนะคะจะประคับประคองชีวิตครอบครัวไปให้ได้สังคมปัจจุบันนี้นะคะเราได้ยินแล้วก็ได้ฟังแล้วเราพบหลักฐานเกลื่อนกลาดนี่ต้องใช้คําว่าเกลื่อนกลาดของครัวเรือนที่เหลือแต่ซากสลักหักพังนั่นหมายความว่ามีหลายคนได้ย่ารา้างครอบครัวไทยนะคะเป็นครอบครัวที่ ปัจจุบันนี้เปราะบางมากค่ะพบว่าล่าสุดนี้มีการหย่าล้างเพิ่มขึ้น 27% ในรอบ9ปีนี้เมื่อปี2555นะคะมีการจดทะเบียนสมรส 300,000 กว่าคู่แต่ในเวลาเดียวกันในปีเดียวกันนั้นมีคู่สมรสเก่าที่ไปจดทะเบียนหย่าล้างแสนกว่าคู่เหมือนกัน นั่นหมายความว่ามีถึง 35% เซนะคะที่อย่าล้างหนึ่งในสามอย่าล้างสำหรับคู่ชีวิตที่ต้องบอกว่าเมื่อเราฟังแล้วเราวุดน่าตกใจมากทีเดียวเกิดอะไรขึ้นนะคะที่กรมสุขภาพจิตเขาบอกว่าจริงแล้วมีวิธีป้องกันการอย่าล้างอยู่สองวิธีนะคะที่เรนไปอ่านมาเขาบอกว่าอันแรกเลย ต้องไม่ใช้อารมณ์ในการแก้ไขเดี๋ยวรู้สึกว่าข้อนี้ยากมากเลยไม่ใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหานะคะเพื่อไม่ให้ความขัดแย้งนั้นมันยิ่งลุกลามมากขึ้นข้อที่สองยอมรับและรับผิดชอบในบทบาทและหน้าที่ของกันและกันทั้งในครอบครัวและนอกครอบครัวอย่างเหมาะสมและสมดุลเนี๋ยต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ก็มีความสับสนในบทบาทกันเหมือนกันบางคน เริ่มเรียกร้องสิทธิเท่าเทียมกันบางคนก็ไม่อยากจะทําบทบาทที่ตัวเองควรจะเป็นนะคะโดยโดยอะไรคะต่างก็ต้องบอกว่าเธอต้องเป็นทุกอย่างฉันก็ต้องเป็นทุกอย่างฉะนั้นเราเท่าเทียมกันนั้นมันก็เลยเกิดความสับสนและเกิดความไม่สมดุลขึ้นแน่นอนความขัดแย้งจะเกิดขึ้นแล้วมันก็บานไปลายไปจนถึงการยาลาทําไมดิฉันถึงยกตัวอย่างเรื่องนี้คะเพราะว่าดิฉันมองดูว่า ใน ท, ทุกที่มีมนุษย์มากกว่าหนึ่งคนอยู่ด้วยกันมีปัญหาทั้งสิน้นเพราะเราเราอยู่คนเดียวเรายังมีปัญหากับตัวเองเลยถ้าเราเป็นมนุษย์คนบาปอยู่กันสองคนยิ่งไปใหญ่เลยเตฉันเชื่อแน่ว่าไม่ไม่สามารถที่จะหลีเลี่ยงได้เมื่อมนุษย์คนบาปอยู่กันสองคนแล้วยิ่งมาอยู่กันแบบทุกวันทุกคืนและอยู่กันตลอดชีวิตเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนักจะไม่มีอารมณ์เลยเหรอก็คงเป็นไมไม่ได้ ที่จะไม่ใช้อารมณ์ใส่กันจะไม่สับสนในบทบาทเลยก็คงเป็นไม่ได้เหมือนกันฉะนั้นวิธีที่แก้ไขที่ดีที่สุดสําหรับคริสเตียนก็คือว่าทุกคนจะต้องกลับไปมีสัมพันธภาพกับพระเจ้าอย่างถูกต้องก่อนเพราะที่ฉันเชื่อเนี่ว่าอันนี้สําคัญที่สุดไม่งั้นเพะพ็กค์มีคงจะไม่บอกว่าให้เรามีเชือกสามเกลียวในชีวิตครอบครัวนเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นพ่อแม่ลูกหรือคุณจะเป็นสามีหรือภรรยา จำเป็นเสมอที่เราจะต้องมีเชือกสามเกลียวก็คือระหว่างเรากับคนในครอบครัวและเกลียวที่สมก็คือพระเจ้าเชื่อมนั้นจึงจะเหนียวแน่นมันไม่ขาดง่ายนั้นเดียนเชื่อเสมอว่าถ้าเราทําให้ทุกๆคนในครอบครัวมามีสัมพันธภาพที่ถูกต้องกับพระเจ้าเราก็จะพบกับปัญญาในการดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องแน่นอน นี่ฉันไม่ได้กาลังบอกว่าเราไม่มีปัญหานะคะไม่ได้ไม่ได้บอกว่าครอบครัวคริสเตียนไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่ได้กาลังบอกว่าคริสเตียนจะไม่เจอปัญหาเราอะยังต้องเจอปัญหาอยู่แล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าเราเป็นมนุษย์คนบาปที่สร้างปัญหาและคนที่อยู่รอบตัวเราก็สร้างปัญหาด้วยแต่เรารู้แน่นอนว่าพระเจ้าไม่ให้ปัญหานั้นเป็นสิ่งที่บั่นทอนหรือทาลายตัวเรา ในการที่เราจะเดินติดตามกับพระเจ้าแต่เรารู้ว่าเราจะรับสติปัญญาในการแก้ปัญหานั้นอย่างไรต่างหากนั้นพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้จึงบอกเราอันแรกเลยค่ะเสาหลักแรกเรือนนั้นสร้างด้วยปัญญาถ้าคุณอยากได้ปัญญาทุกๆคนในครอบครัวต้องกลับมาในหนทางของพระเจ้าอย่างถูกต้องก่อนเดี๋ยวต้องเน้นว่าคําว่าถูกต้องนะคะเมื่อคุณจะบอกว่า พ่อหรือแม่เชื่อพระเจ้าแล้วลูกก็มาเชื่อด้วยแล้วใช่ความถูกต้องทั้งหมดไหมเรี้ยนคิดว่าถ้าบอกดิฉันดิฉันจะบอกว่าเรี้ยนจะเลือกที่จะพาลูกมาโบสถเพื่อให้เขามาพบกับพระเจ้าอย่างถูกต้องเขาต้องตัดสินใจที่จะกลับใจใหม่เองเชื่อพระเจ้าเองไม่ใช่เชื่อเพราะเราเป็นคริสเตียนจะต้องให้เขามีประสบการณ์กับพระเจ้าจริงๆ นั้นก็ขอยอมรับว่าบ่อยครั้นี้ฉันก็ใช้วิธีการ เ, เด็ดขาดนิดนึงนะคะก็คือตัดสินใจให้ลูกไปค่ายฉันจะแบบลูกยังไม่ทันตัดสินใจว่าอยากไปเียนจะน้มน้าวก่อนแล้วก็จะบอกลูกไปเถอะค่ะแล้วก็ให้เงินไปด้วยสมัครเลยเพราะว่าเรารู้ดีว่า ถ้าเขาไม่มีโอกาสและไม่มีโอกาสได้ไปอยู่ในสถานการณ์หรืออยู่ในสภาวะที่จัดเตรียมไว้เพื่อจะได้พบกับพระเจ้าแล้วคุณคิดว่าลูกคุณจะไปพบกับพระเจ้าที่ไหนที่ห้างสปปรรพสินค้าหรือเปล่าที่โรงเรียนที่มีการเล่นเรียนแล้วก็เล่นใช่ไหมหรือว่าที่ซึ่งบางครั้งแม้แต่ในบ้านตัวเองด้วย ซึ่งมีสื่อเยอะแยะเลยนะคะไม่ว่าทีวีวิทยุแท็บเล็ตมือถือคุณคิดว่าเขาจะพบพระเจ้าไหมคะฉะนั้นบางครั้งเราก็ต้องบอกว่าเราผู้เป็นพ่อแม่คริสเตียนเองก็ต้องแนะทางที่ลูกจะได้พบกับพระเจ้าอย่างแท้จริงด้วยนั่นเป็นเป็นบทบาทหน้าที่ที่ถูกต้องนั้นดิฉันรู้สึกว่าเป็นเรื่องสำคัญค่ะว่า เราผู้ซึ่งเป็นคนในครอบครัวเราตรเตรียมสิ่งเหล่านี้เพื่อซึ่งกันและกันเพื่อให้ทุกๆคนได้พบกับพระเจ้าอย่างแท้จริงแล้วหรือยังเป็นเรื่องน่าเศร้านะคะดิฉันไม่ได้กำลังบอกว่าครอบครัวคริสเตียนจะหย่าล้างไม่ได้ดิฉันก็พบว่าก็มีหลายครอบครัวที่หย่าลางเพราะอยู่ด้วยกันไม่ได้อันนั้นก็เป็นการตัดสินใจของเขาดังนั้นเชื่อว่าพระเจ้าก็มี พระวจนะของพระองค์ที่เตือนเราไว้แล้วและแนะนำเราถ้าอยากให้เรือนนั้นแข็งแรงทุกคนในครัวเรือนควรมีโอกาสได้รู้จากาพระเจ้าโดยตรงด้วยประสบการณ์ของเขาเองกลับใจใหม่เองและสำนึกความผิดบาปเองและอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเองนะคะเรียนเห็นอันหนึ่งว่า ทำไมฉันใช้คำว่าเชือกสามเกลียวเพราะว่าในทุกเรื่องที่พระวจะนะของพระเจ้ากล่าวถึงบทบาทของคนในครอบครัวที่ฉันขอแค่ยกตัวอย่างสามีหรือภรรยาเท่านั้นนะคะส อ, สองบุคคล น, นี้ในเอเ ฟ, ฟซัสเนี่ยบทที่ห้าข้อยีิบหได้กล่าวว่าฝ่ายสามีก็จงรักภรรยาของตนเหมือนอย่างที่พระคริสต์ทรงรักคริสต จ, จักร และทรงประทานพระองค์เองเพื่อคริสตจักรอันนี้ยกตัวอย่างแรกนะคะพระวจนะของพระเจ้าได้พูดถึงสามีที่เป็นคริสเตียนจะต้องรักภรรยาเหมือนที่พระคริตสตทรงรักคริสตจักรมีคำว่าพระเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องกับความรักระหว่างสามีและภรรยา และในข้อต่อไปเช่นนั้นแหละสามีจึงควรรักภรรยาของตนเหมือนรักกายของตนเองผู้ที่รักภรรยาของตนก็รักตนเองเพราะว่าไม่มีผู้ใดเกลียดชังเนื้อหนังของตนเองมีแต่เลี้ยงดูและทนุถนอมเหมือนพระคริสต์ทรงกระทารรแก่กิตตจักรคุณจะรักตัวเองมากน้อยแค่ไหนอย่างไรยังมีมาตรฐานคือมาตรฐานของพระเยซูคริสต์ที่ทรงสละชีวิตของพระองค์เองเพื่อกิตตจักร เหตุฉะนั้นผู้ชายจึงละปิดามันดาของตนไปผูกพันอยู่กับภรรยาและเขาทั้งสองเป็นเนื้ออันเดียวกันอันนี้เป็นพระวจะนะของพระเจ้าที่พูดถึงบทบาทของสามีไม่ใช่เพราะว่าดิฉันเป็นผู้หญิงดิฉันเลยยกตัวอย่างเรื่องสามีแต่ดิฉันเห็นว่าพ่อพีตอนนี้ชัดเจนมากทำให้เราเห็นว่าไม่ว่าคุณจะรู้ว่าคุณมีบทบาทและควรปฏิบัติอย่างไร ยังมีเรื่องของพระเจ้าที่เป็นเกลียวที่สามอยู่ในนั้นเสมอบางคนบอกรักแค่ไหนอะก็รักแล้วอ่ะก็เธอก็ได้ไปแล้วได้ตัวฉันไปแล้วฉันเข้าสู่วิธีแล้วแค่นั้นกน่าจะพอเพียงแค่นั้นพอหรือเปล่าเน้นบอกว่ามาตรฐานนั้นถูกวางไว้แล้วโดยมองดูพระเยซูคริสต์เป็นแบบอย่างจนคุณ้ก็ต้องบอกว่าคุณจะยอมเปลี่ยนแปลงชีวิตความสัมพันธ์นะคะ แบบพระเยซูคริสต์มากน้อยแค่ไหนรักจนยอมทุกอย่างรักแบบเสียสละรักให้อภัยทุกอย่างอดทนนานกระทําคุณให้อันนั้นเป็นมาตรฐานตามพระวจนะของพระเจ้าหรือแม้แต่ภรรยายังต้องเชื่อฟังสามีนะคะแล้วก็คำนี้ต้องบอกเลยนะคะฟอพีบอกไว้แล้วเหมือนกับที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นศีรษะนั้นสามีก็เป็นศีรษะนะคะ แต่บางคนบอกว่าภรรยาเป็นมงกุฎอีกทีหนึ่งนะคะนี่ม่แน่ใจ อ, อันนี้เชิดชูค่ะเชชูไว้เป็นมงกุฎนะคะก็ไม่ได้บอกว่าใหญ่กว่าศีรษะแต่ว่าประดับประดานะคะคนที่มีความผูกพันกับพระเจ้าจะมีความยำเกรงพระเจ้าแล้วทําให้คุณเกรงใจซึ่งกันและกันคนที่มีความ รักพระเจ้าก็จะทำให้เขาก็จะรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองก็คือไม่ใช่เฉพาะสามีภรรยาเท่านั้นหรือลูกๆเท่านั้นคนที่ได้รับการอภัยโทษจากพระเจ้าคุณจะเรียนรู้การที่จะอภัยโทษให้แก่กันและกันเพราะว่าบาปของคุณนะั้นมันแดงก่ำมากเลยนะคะจนพระคริสต์ได้ยอมสิ้นประชชนที่กังเขนและได้ชำระคุณให้ขาวสะอาดฉะนั้น คุณไม่มีข้อแก้ตัวที่คุณจะให้อภัยกับมนุษย์คนบาปด้วยกันที่เป็นคนในครอบครัวของคุณเช่นเดียวกันเสาที่สองนะคะก็คือเรือนนั้นสถาปนาด้วยความเข้าใจเดนขอกลับมาทุกท่านถ้ามีโอกาสมีเครื่องวัดตรวจสุขภาพร่างกายามีเยอะนะคะ ตรวจสภาพตรวจสุขภาพเนี่ยตรวจความดันตรวจหัวใจนะคะตรวจเลือดเจาะเลือดแต่ถ้ามีเครื่องที่ตรวจสุขภาพครอบครัวเฉ้นข ถ, ถอถามว่าคุณคิดว่าตอนนี้สภาพครอบครัวของคุณเป็นอย่างไรสุขภาพครอบครัวของคุณเป็นอย่างไรติ๊กต๊อกติ๊กตอกติ๊กตอ ก, ต ก, ตอกถามตัวเองนะคะหรือสุขภาพชีวิตคู่ สามีภรรยาของคุณเป็นอย่างไรหรือจะให้ง่ายขึ้นเวลาที่คนอื่นเห็นครอบครัวของคุณเขาพูดว่าอย่างไรติ๊กตอ ก, กติกต๊กตอกติ๊กตอกคตอบนี้นอยากให้คุณตอบตัวเองเพราะว่าคนอื่นไม่รู้ได้ว่าครอบครัวของเป็นเช่นไรแต่เขาเห็นได้จากพฤติกรรมและสิ่งที่ปฏิบัติกันออกมา ฉะนั้นเสาที่สองนี้ความเข้าใจตรงนี้ก็คือการที่เรารู้แล้วล่ะว่าเรามีสัมพนันธภาพกับพระเจ้าและพระเจ้าปรารถนาให้เราเป็นเช่นไรในบทบาทตละบทบาทสิ่งที่คือความเข้าใจนั้นก็คือการปฏิบัติออกมาถ้าคุณมีความรู้แต่คุณไม่ย่อยคุณก็จะไม่ใช่ผู้รู้อะฮะเป็นผู้ที่แค่ สักแต่รู้แต่ยังไม่ได้ออกมาปฏิบัติจริงๆบางครั้งเรามีความสับสนอยู่สมเรื่องด้วยกันสิ่งที่ต้องทําสิ่งที่ควรทําและสิ่งที่น่าทําเอาใหม่นะคะสิ่งที่ต้องทําสิ่งที่ควรทําและสิ่งที่น่าทําเรามักจะมีความสับสนและเกิดปัญหาเรื่องการจัดลําดับความสําคัญ ในครอบครัวเวลาที่เราปฏิบัติต่อกันดิฉันขอเล่าเรื่องบิลเกตหน่อยนะคะบิลเกตเป็นมหาเศรษฐีวันหนึ่งบิลเกตจัดงานวันเกิดให้ลูกสาววัยห้าขวบเขาถามลูกสาวเขาว่าลูกอยากได้อะไรในวันเกิดปีนี้บอกมาเลยอยากได้หุ่นยนต์คอมพิวเตอร์ไหมเดี๋ยวพ่อจะให้ลูกน้องเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยนะเา บริษัทคอมพิวเตอร์นี่คะหรือลูกอยากจะได้ลูกหมาตัวน่ารักน่ารักสักตัวหนึ่งสวยๆไว้เลี้ยงหรือลูกอยากจะไปเที่ยวรอบโลกเดี๋ยวพ่อจัดให้แต่ลูกสาวตอบเขาว่าไม่ต้องการอะไรเลยนอกจากต้องการตัวคุณพ่ออยากให้พ่อกลับบ้านเร็วๆมาสอนหนูทำกันบ้าน มาเล่นกับหนูเล่านิทานให้หนูฟังก่อนนอนแค่นี้หนูก็พอใจแล้วบิลเกตฟังลูกด้วยน้ำตาคลอกอดลูกไว้แน่นแล้วเขาก็ออกกฎระเบียบให้กับพนักงานที่มีลูกทุกคนว่าให้เลิก ง, งานก่อนหกโมงเย็นให้กลับบ้านไปใช้เวลากับลูก ส่วนตัวเขาเองเขากลับบ้านก่อนหกโมงเย็นทุกวันเพื่อไปใช้เวลากับลูกสาวที่เขารักมากที่สุดเลียนถามว่าวิลเกตอาจจะเคยจัดลำดับความสำคัญไม่ถูกต้องมาก่อนเขาทำสิ่งที่ควรจะใช้เวลากับลูกแต่กลับไปทำมาหากินนะคะเขากลายเป็นมาหาเศรษฐีเพื่อให้ลูก แล้วก็ครอบครัวของเขามั่นคงเขาเข้าใจว่านั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดแต่หารู้ไหมว่าอันนั้นคือสิ่งที่แค่ควรทำหรือน่าทำเท่านั้นเองแต่ไม่ใช่ต้องทำยังดีนะคะเด็กห้าขวบยังบอกความจริงทั้งแตงตอนห้าขวบถ้าเขาปล่อยให้ลูกเขาโตเป็นหนุ่มเป็นสาวก็คงอาจจะไม่ต้องการเวลาจากพ่อแล้วแต่ลูกของเขาเรียกร้องสิ่งที่พ่อต้องให้กับเขาคือเวลา ที่จะใช้เวลาและมีความสุขร่วมกันกับลูกนิ้นคิดว่าบ่อยครั้งเราก็หลงทางกันนะคะโลกนี้ทําให้เรากลับหัวกลับหางกันอยู่ค่ะบางครั้งชีวิตของเราเหมือนคนตีลังกาอยู่ค่ะเราใช้เวลาส่วนใหญ่กับการทำมาหากินแล้วเมื่อเรากลับบ้านเราหมดแรงเราไม่อยากจะพูดคุยกับลูกเมียเราไม่อยากจะพูดคุยกับคนในครอบครัวเพราะว่าเราเหนื่อย เข้าใจไหมว่าเหนื่อยอ่ะทุกคนจะมีข้ออ้างและก็จะก็จะมีสิ่งที่คิดว่าคนในครอบครัวต้องเข้าใจควรจะเข้าใจด้วยซ้ำแต่บางครั้งเราก็ต้องยอมรับว่าเราทุกคนต้องกลับมาพิจารณาตนเองว่าเราจัดลำดับความสำคัญถูกต้องแล้วหรือยังถ้าเราจัดลำดับความสำคัญถูกต้อง เรนคิดว่าเรายังคุยกันได้นะคะคนในครอบครัวเราจะเข้าใจกันได้ว่าไอ้ที่ต้องทําอะไรที่ควรทําและน่าทํำเนี่ยเรยนคิดว่าพระชนะของพระเจ้าบ่อยครั้งก็บอกกับเราเสมอนะคะถ้าคุณอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าพระเจ้าจะบอกคุณว่าอะไรดีที่สุดอะไรดียอดเยี่ยมและอะไรที่ต้องทําเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าและเชื่อแน่ว่าเราจะไม่หลงทาง และเราจะไม่ทำให้คนอื่นผิดหวังแม้แต่ในคนในครอบครัวของเราเองอันสุดท้ายค่ะเสาหลักที่สามก็คือในพภชนาของพระเจ้าได้กล่าวไว้ก็คือโดยความรู้บรรดาห้องก็เต็มไปด้วยความมั่งคัง่งล้วนประเสริฐและเพลิดเพลินทั้งสิน้นเราต้องกลับมาที่ความรู้อีกแล้วทุกวันนี้ในเรือนของเรา ความรู้ที่เราเอาเข้าบ้านของเราคืออะไรคะความรู้ที่เราเอาเข้าบ้านของเราคืออะไรภาพยนตร์กี่เรื่องดีนะที่เราดูกันนะคะเรื่องที่เราคุยกันเป็นเรื่องอะไรหนังสือที่เราอ่านมันคืออะไรข่าวสารที่เราบริโภคแล้วเราฟังอยู่เรามันคืออะไรสิ่งที่เราสนทนากันคือเรื่องอะไร สิ่งเหล่านี้คือความรู้ในครัวเรือนของเราที่ต้องถามว่ามันประเสริฐไหมมันดีไหมแล้วมันส่งคุณค่าไหมแล้วเมื่อมันความรู้เหล่านั้นอยู่ในครัวเรือนของเรามันเพลิดเพลินด้วยหรือเปล่า <S 2> <S 2> ดรีย น, นไม่แปลกใจเพราะเรีย น, นทํางานกับวัยรุ่นเรีย น, นจะเจอปัญหาวัยรุ่นหลายครั้งทีเดียวที่เด็กวัยรุ่นจะไปหาความเพลิดเพลินนอกบ้านเพราะว่า บางคนกลับบ้านไม่มีความเพลิดเพลินเขาไม่มีความสุขกับการที่จะกลับมาที่บ้านเขาเหงาแล้วเขาไม่รู้จะเริ่มต้นคุยอะไรกับพ่อแม่เพราะเขากลัวถูกตําหนิแล้วก็กลัวสิ่งซึ่งต้องบอกเลยนะคะก็คือเขาไม่คิดว่านั่นคือความสุขที่แท้จริงนั่นต้องถามว่าครอบครัวของเราเมื่อกลับมาที่บ้าน เสียงหัวเราะครั้งสุดท้ายที่คุณนั่งหัวเราะกับคนในครอบครัวเมื่อไหรคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเมื่อไหร่คะดิฉันหวังไปอย่างยิ่งว่าน่าจะเป็นเมื่อเช้านี้หรือเมื่อวานนี้นะคะอย่าให้ทิ้งไว้นานเกินไปความเพลดิดเพลินความประเสริฐเหล่านั้นจะต้องบรรจุไว้อย่างมากมายในครอบครัวเพื่อ คนในครอบครัวจะไม่ไปหอยหาเอาจากข้างนอกและหยหามาอย่างผิดผิดด้วยนะคะบางครั้งก็เสียตังค์มากกว่าเดิมจ่ายมากกว่าเดิมแล้วจ่ายไปก็บางครั้งก็เหมือนกับไรคุณค่าและไม่ได้อะไรกลับมาดีไมด่ดีเราจะกลับไปเป็นเหยื่อลูกหลานาเราจะกลับไปเป็นเหยื่อของความสุขจอมปลอมข้างนอกต้องถามว่าเราสามารถสร้างความเพลิดเพลินนี้ได้ ในครอบครัวของเราไม่สายเกินไปค่ะเพราะความเพลิดเพลินเหล่านี้มีได้ค่ะจากคำพูดของเราจากการกระทําของเรามีคำสำคัญที่อยากจะให้ข้อคิดกับเราคำห้าคำที่สำคัญที่สุดคือฟังดีๆนะคะฉันยอมรับว่าฉันผิดให้ความเพลิดเพลินไหมคะ่ะดูแล้วดีนะ ยอมรับก่อนมีคำสี่คำที่สำคัญคือคุณเก่งมากเบรย์ไ ม, เ ร, ม, มเริ่มยิ้มออกะคะ่ะมีคำาสามคำที่สำคัญที่สุดคือคุณคิดอคุณคิดอย่างไรเราอยากรำฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายหนึ่งมีคำสองคำที่สำ ค, คัญที่สุดคือได้โปรดภาษาอังกฤษเขาเรียก please นะคะ เป็นคำที่นุ่มนวลไม่ใช่คำสั่งมีคำหนึ่งคำที่สำคัญที่สุดคือขอบคุณเพราะเราเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณทำหรือคนอื่นในครัวเรือนทำให้คำสำคัญที่สุดคือเราและคำที่ไม่สำคัญหรือน้อยที่สุดเลยคือฉันครอบครัว จะมีความเพลิดเพลินและมีความสุขมากขึ้นอย่างแน่นอนยันเชื่ออย่างนี้ค่ะว่ามันไม่ใช่แค่บทบาทหน้าที่ที่เราควรทำเท่านั้นในพมพีตอนนี้พูดถึงถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าและเราปฏิบัติถูกต้องตามพระวจนะของพระเจ้าเป็นความเข้าใจและเราเอาความรู้จากพระวจนะของพระเจ้าและสร้างความเพลิดเพลิน ให้คุณค่ากับทุกคนในครอบครัวเล้นเชื่อแน่ค่ะว่าเรือนนี้จะตั้งมั่นคงตอนที่ดิฉันอ่านในคำอุปมาของพระเยซูคริสต์นะคะเลี้นจำได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเลี้นช่องพรมพิตตอนนี้เป็นเพลงเลยนะคะ คนโง่สร้างบ้านสร้างบ้านไว้บนหาดทรายคนโง่สร้างบ้านสร้างบ้านไว้บนหาดทรายคนโง่สร้างบ้านสร้างบ้านไว้บนหาดทรายเมื่อพายุและลมพัดมาคนมีปัญญาสร้างบ้านไว้บนศิลาคนมีปัญญาสร้างบ้านไว้บนศิลาคนมีปัญญาสร้างบ้านไว้บนศิลาเมื่อพายุและลมพัดมาเมื่อฝนตกหนัก และน้ําไหลเชี่ยวเมื่อฝนตกหนักและน้ําไหลเชี่ยวเมื่อฝนตกหนักและน้ําไหลเชี่ยวบ้านลังนั้นคงอยู่ทาวอแต่ถ้าตั้งอยู่บนหาดทรายบ้านหลังนั้นก็พังทลายอันนี้มาจากพระวจนะของพระเจ้าและดิฉันมีโอกาสได้ไปศึกษาแล้วทําให้รู้เลยว่าพระเยซูคริสต์เน้นย้ํานะคะพระองค์เน้นย้ํายกตัวอย่างบ้านเรือนขึ้นมา และมีความหมายลึกซึ้งมากเลยค่ะว่าถ้าคุณรู้แต่คุณไม่ปฏิบัติตามเมื่อฝนตกหนักและน้ำไหลเชี่ยวบ้านนั้นไม่มีอะไรรับประกันนะคะมันจะพังทลายแต่ถ้าคุณรู้ทั้งรู้ว่าพระเจ้าเรียกร้องอะไรและพระวจนะของพระเจ้าว่าอย่างไรและคุณปฏิบัติก็จะเป็นเหมือนบ้านที่ตั้งอยู่บนศิลาและมีความมั่นคง ไม่ว่าพายุอุปสรรคปัญหานอกบ้านในบ้านน้ำจะไหลเชี่ยวเทียงไรบ้านนั้นจะตั้งอยู่ถาวรอย่างแน่นอนก่อนที่นจะจบเรีนมีสปีชอันหนึ่งของผู้บริหารอดีตซ e อของโคคาโคล่านะคะคือนายไบแอนเดน เขากล่าวภายในเดียดไม่แน่ใจนะภายในหนึ่งนาทีเป็นสปีชที่สั้นมากเลยนะคะแต่เขาเลือกกล่าวเรื่องนี้ค่ะหากเราจินตนาการว่าเรากำลังเล่นหรือเลี้ยงลูกบอลห้าลูกบนอากาศด้วยมือสองมือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าจักรกลหรือจักรใช่ไหมคะเอาลูกห้าลูกบอลห้าลูกแล้วก็โยนแล้วก็สลับมือรับนะคะ หลูกลูกบอลห้าลูกนี้คืองานครอบครัวสุขภาพเพื่อนและจิตวิญญาณมีงานครอบครัวสุขภาพเพื่อนและก็จิตวิญญาณเราต้องพยายามโยนลูกบอลและรักษาความสมดุลให้ลูกบอลทั้งห้าลูกอยู่บนอากาศตลอดเวลาโดยไม่ให้หล่น คุณจะเข้าใจไม่ช้าเลยค่ะตอนที่คุณเล่นลูกบอลเนี้ยห้าลูกเนี่ยงานเป็นเสมือนลูกบอลยางที่เวลาใดก็ตามที่มันหล่นมันจะกระดอนและเรายังเก็บได้นะคะมันกระดอนเนี้ยบางทีมันกระดอนมาหาเราบางทีแล้วก็ไปเอามันมาแต่ว่าอีกสี่ลูกคือครอบครัวสุขภาพเพื่อนและจิตวิญญาณ มันไม่ใช่ลูกบอลยางแต่มันทำด้วยแก้วเวลาใดก็ตามที่คุณเลี้ยงหรือคุณดูแลมันไม่ดีเวลามันหล่นเนี่ยนะคะเกิดความเสียหายทุกลูกเลยค่ะฉะนั้นให้เราใส่ใจประคับประคองและต่อสู้เพื่อจะรักษาลูกบอลที่ทำด้วยแก้วเนี่ยค่ะก็คือ ครอบครัวสุขภาพเพื่อนและจิตวิญญาณของคุณไว้ให้ดีก่อนที่มันเสียหายแล้วคุณก็จะเอามาหรือกู้มันกลับมาเหมือนเดิมไม่ได้เพราะมันเป็นแก้วมันมีความเปราะบางมีความละเอียดอ่อนแต่เดนเชื่อค่ะ speech นี้เขาไม่ได้ให้ข้อมูลว่าจะรักษาอย่างไรเพราะทุกคนนะคะเราก็เหมือนคนที่เล่นลูกอย่างนี้ค่ะห้าลูกเนี้ยในชีวิตประจวันของเรา เพื่อความอยู่รอดแต่เรามีพระเจ้านะคะที่ช่วยเราแต่อย่าเราลัวแต่รอ ว, ว่าให้พระเจ้าเป็นคนรักษานะ้าลูกแก้วแตกครอบครัวเราแตกแล้วแล้วก็ลอยเดียวขอพระเจ้าพระเจ้าจะให้อย่างแน่นอนค่ะแต่เรารู้อยู่แล้วว่าอะไรคือพื้นฐานที่สําคัญที่จะช่วยประคับประคองให้เรือนของเราจะแข็งแรงก็ให้เราช่วยดูแลตนเองอย่างดีตลอดเวลา เพื่อว่าเมื่อเสียหายมันจะไม่รุนแรงเกินกว่าที่เราจะรับมือไว้ได้ในเวลานี้อยากจะให้เราก้มศรีรษะอธิษฐานนะคะับนอยากจะให้เราคิดถึงครอบครัวของเราไม่ว่าครอบครัวนั้นจะมีพ่อแม่ลูกบางคนอาจจะยังไม่แต่งงาน คุณก็ยังเป็นบทบาทลูกแล้ว อ, อาจจะยังเป็นพ่อแม่อยู่บางคนเป็นสามีหรือภรรยาเห็นอยากจะให้เราละลึกถึงคนเหล่านั้นในคำอธิษฐานของเราในเวลานี้เขาอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าหรือว่าได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนแต่ยังไม่เข้มแข็งแล้วก็ยังไม่ได้มีประสบการณ์กับพระเจ้าอย่างแท้จริง ให้เราบอกกับโปรงเราปรารถนาเรารู้ว่าความสัมพันธ์ที่แท้จริงทุกคนต้องเริ่มต้นกับพระเจ้าก่อนแล้วเมื่อเกลียวที่สามที่โปรงเข้ามาผูกพันหรือเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเราเชื่อแน่ว่าทุกปัญหาย่อมเป็นไปได้ถ้าพระเจ้าเข้ามาให้เราละลึกถึงกันและกัน แล้วถ้าหากว่าครอบครัวของเราแตกสลายไปแล้วเรายังมีความหวังค่ะขอพระเจ้าเยียวยาโดยเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนถ้าทุนมีความหวังอย่างอื่นก็เป็นไปได้ถ้าเรายังเชื่อว่าครอบครัวเราจะกลับมาได้ขอพระเจ้าใช้เราเพราะเรามีพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุด ถ้าหากว่าเราเคยทําผิดพลาดสิ่งที่เราต้องทําแต่กลายเป็นเรื่องที่น่าทําแล้วเราก็สาล้วนกับสิ่งที่น่าทำํำจนละเลยบทบาทหน้าที่และสิ่งที่ต้องทำให้เราใช้เวลานี้สารภาพกับพระเจ้าพระเจ้าปรับเปลี่ยนทัศนคติและความถูกต้องให้กับเรา